สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สี่พระเจ้พระเจ้าก็ยังอยู่ในพระธรรมยอบบที่สิบเจดข้อหนึ่งถึงข้อห้านะครับที่ได้พูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูได้ส่งอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานในบทนี้แบ่งเป็นสามตอนผมขอทบทวนตอนแรกคือพระเยซูอธิษฐาน คือตัวเองคือพูดถึงเรื่องของตัวเองกับพระบิดาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองกับพระบิดาพูดถึงเรื่องของความเป็นตรีเอกานุภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและพูดถึงเรื่องการที่พระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระบิดาก็ส่งให้เกียรติกับคืนมาสู่พระองค์คีณครับจากตรงนี้เองทําให้เราไปถึงจุดที่เป็นเรื่องของการทนทุกข์เพราะเนื่องจากว่าเรารู้ว่าการทนทุกข์นั้นนํามาซึ่ง พระสิลิหรือการทนทุกนั้นของพระเยซูนั้นนํามาซึ่งแระกเกียริของพระองค์เช่นเดียวกันครับในทางปฏิบัติเราก็รู้ว่าในพระวจนะพระเจ้าได้พูดหลายครั้งเกี่ยวกับชีวิตของคริสเตียนที่ได้ทนทุกและหัวหน้าใหญ่ของการทนทุกนั้นก็คือท่านอค า, าทูดเปาโลหรือท่านเปาโลนั่นเองพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูต่อว่าการทนทุกขนั้นนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีได้อย่างไรในชีวิตของพวกเรา ให้เรารให้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้านะครับในตอนแรกเราพบว่ามีหลายหลายคนที่ตั้งคำถามแบอบกว่าเอชีวิตคริสเตียนนั้นจำเป็นอย่างจาเป็นที่จะต้องทนทุกข์ไหมผมตอบว่าจำเป็นครับแต่ไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตคริสเตียนนั้นต้องทนทุกข์อย่างเดียวพระเจ้าได้ให้ส่วนผสมของความทุกข์และความสุขเรียกว่าเป็นม i x t u r e of the Bitter and the Sweet หมายความว่าชีวิตของเราซึ่งนคเสียนที่อยู่โลกไงนั้นก็มีความสุขมีความแฮปปี้ในขณะเดียวกันครับก็มีจอยก็คือมีความชื่นชมินดีนะครับแฮปปี้ตรงนี้มีคนเป็นคนละความหมายคาว่า b lessing นะครับเพราะว่า b lessing นั้นเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์จะแปลว่าพระพรหรือความสุขแต่คำว่าแฮปปี้นั้นก็คือเป็นความสุขทางอารมณ์เป็นความสุขทางด้านสุนทรียภาพ นะครับแต่มีความหมายแตกต่างกันคำว่าจอยและคำว่าเบสนะครับพี่น้องครับกลับมาดูชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นเป็นส่วนผสมของบิดเทอร์ก็คือความขมขื่นและสวิตก็คือความหวานหวานชื่นนะครับพระเจ้านั้นได้ประทานชีวิตนะครับที่มีเรียกว่าเป็นกลางส่วนผสมนะครับที่เหมาะสมกับแต่ละคนบางท่านอาจจะมีบิ t เทอร์เยอะหน่อย บางท่านอาจจะมีชีวิตเยอะหน่อยนะครับพิทเชอร์มีความหมายก็คือการทนทุกข์ครับความขมขื่นการทนทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจชีวิตทางที่ไม่ได้มีแฮปปี้มากนะครับแต่ว่าความสุขนั้นก็คือเป็นเรื่องราวของการคืนดีกันนะครับความชื่นชมยินดีเรียกว่าจอยในขณะเดียวกันครับก็มีสันติสุขที่เรียกว่าชาโลมเช่นเดียวกันครับเมื่อเราอ่า น, านพระคัมภีร์เราพบว่าสิ่งที่สําคัญ ในความอภิหลักการที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเมื่ อ, อไรก็ตามที่เรามีความพิชเชอร์หรือเรามีความขมขื่นหรือเรามีความยุ่งยากลําบากและเราต้องทนทุกข์อะไรก็ตามที่เราทนทุกข์เพื่อพระเยซูอะไรก็ตามที่เราทนทุกข์เพื่อพระเยซูพี่น้องโปรดฟังให้ดีนะครับความขมขื่นความเจ็บปวดความเศร้าโศกอะไรก็ตามที่เรา ทำเรารับเพื่อพระเยซูเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อประการเป็นการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการรับใช้เทวะเกียรติองพระเจ้าสิ่งนั้นแหละครับก็จะนํามาซึ่งเกียรติและศริที่พระเจ้าจะประทานให้กับเราเหมือนกับที่พระองค์ได้ประทานให้กับพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายจะมีความมั่นใจและมีกําลังใจที่จะดําเนิน อยู่ในชีวิตที่มีความทุกข์ยากลำบากและต้องทนทุกข์ต่อไปบางครั้งถูกข่มเหงบางครั้งถูกคนเข้าใจผิดที่น้องครับอย่าลืมว่าคริสเตียนจึงมีชีวิตของคริสเตียนนั้นผู้รับใช้พระเจ้านั้นก็จะต้องทนทุกข์ครับเรามาดูชีวิตของโมเสสนั้นในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบเ็ดได้บรรยายถึงการที่โมเสสได้เข้ามา ให้เข้ามาเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกและด้วยความเชื่อนะครับทำให้โมเสสนั้นกลายเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อที่บันทึกชื่ออยู่ในฮอ l ออฟเฟรมฮอลออฟเฟรมก็คือแฟนบุคคลนะครับที่มีความเชื่ออยู่ในพระธรรมฮีบูที่ส1เน็นี้ผมอยานให้ฟังนะครับในข้อที่ยี่สิบสี่เพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดาฟาร ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสําราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความอับปยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบําเหน็จที่จะได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความตื้ว ข, ของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจพระหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาเพราะความเชื่อ ท่านได้ถือเทศกาลปัสคาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์เพชชฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้เพ่ยงครับในภาพตอนนี้ข้อที่สำคัญก็คือข้อที่ยี่สิบหกและข้อที่ยี่สิบเจ็ครับผมอยากให้ฟังอีกครั้งนะครับท่านถือว่าการอดทนกับความอับยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบาเหน็จที่จะรับนั้น เพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความซื้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจปะหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาที่นี่บอกว่าโมเสสนั้นอดทนต่อความอัปอายเพื่อพระเยซูถามว่าโมเสา ร, รู้จักพระเยซูหรอครับคำตอบคือไม่ได้รู้จักเลยแต่โดยความเชื่อก็เสมือนว่าท่านรู้จักที่ทน้องครับพูดเขียนพระธรรมฮีบรูนั้นทาให้อนาคต ซึ่งโมเสสยังไม่เห็นนั้นเป็นรูปประรรมขึ้นมาในร่างของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์นั่นเองและประกาศว่าพระเจ้าทรงรับรองอนาคตที่สัญญาไว้ผ่านทางพระคริสต์พระเมสสิยาห์ที่น้องครับการที่คนเรามีความเชื่อมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตอีกยาวไกลอาจจะเป็นร้อยเป็นพันปีได้เราจะเห็นนะครับว่าความเชื่อของโมเสสนั้นได้ถูกอ้างอิงนะครับแล้วในที่สุด ความจริงปรากฏก็คือในพระธรรมมัทธิวได้บันทึกการที่โมเสสนั้นได้เห็นพระเยซู <c oughs> โมเสสนั้นได้เข้าแผ่นดินคะแนนโมเสสนั้นเมื่อเข้าสู่ภูเขาที่พระเยซูจำแลงพระกายนะครับโมเสสเอลียามาปรากฏและได้สนทนากับพระเยซูพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงบนภูเขาและในข้อทียิบเจ็ดบอกว่า เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาเครื่อมพีใช้คาว่ามั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์พี่น้องครับนี่คือความเชื่อครับเพราะฉะนั้นการที่เราทนทุกข์เพราะความเชื่อของเราเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับพระสริของพระเจ้าเพราะว่าในพระ่องพีตอนนี้ได้พูดถึงว่าอดทนต่อความอับยศนะครับเพื่อผลิตประเสริฐกว่า กว่าเสด็จกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบําเหน็จที่จะได้รับนั้นบําเหน็จนี้มาจากพระเจ้าครับบําเหน็จนี้มาจากพระบิดาและบําเหน็จนี้ก็คือเกียรติและสงญลักษณ์ศีล พ, พระศรีนะครับที่พระเจ้าจะให้กับเราพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับทุกท่านในเช้าวันนี้หากท่านใดที่มีความทุกข์หากท่านใดที่มีความลําบากหากท่านใดที่จะต้องการความอดทนให้มากขึ้น ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะมีความเชื่อและที่เราจะเชื่อว่าผลแห่งความเชื่อของเราเราหว่า น, มนเมล็ดแห่งความเชื่อลงไปจะเกิดผลอาจจะนานอาจจะช้าแต่ให้มั่นใจว่าเกิดผลแน่นอนเหมือนดังโมเสสครับโมเสสเขามองไม่เห็นพระเยซูด้วยตาเปล่าก็จริงแต่เขาเห็นนะครับเพิ่มพีใช้ว่า ก็เหมือนหรือประหนึง่งท่านได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตัวต้องใช้สายตายแห่งความเชื่อถึงจะเห็นพระเยซูครับเพื่อที่เราจะอดทนและต้องใช้สายตาแห่งความเชื่อเราถึงจะเห็นพระสิริของพระเจ้าพระเกียรติของพระเจ้าที่พระองค์จะมอบให้ประทานให้กับเราอาเมน